แต่เมื่อในปฏิบัติเข้าไปโดยลําดับจนปรากฏผลขึ้นแก่ผู้ปฏิบัติเป็นชั้นๆนั่นแหลจึงจะค่อยปรากฏผลที่ปฏิบัติจากตามาศาสนธรรมภายในจิตใจของเปิดศาสนธรรมฝ่ายเหตุก็เปรียบเหมือนเครื่องมือทางาน ถ้ามีแต่เครื่องมือจะมีมากน้อยเพียงใดก็ตามของเต็มอยู่ในบ้านในเรือนก็ไม่สำเร็จประโยชน์ถ้าผู้เป็นเจ้าของไม่นำเครื่องมือนั้นไปประกอบไปทำงานตามหน้าที่ของเครื่องมือนั้นที่จะพึงใช้ในกิจการอันใดตามและตามความประหลาดของตนเครื่องมือนั้นจึงจะสำเร็จ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 นักปราดท่านถือกันยิ่งนะักนักปรากท่านจหงหวนจิตใจมากยิ่งกว่าสิ่งใดๆในโลกในวันคืนหนึ่งๆเราพอมีเวลาที่จะปฏิบัติต่อตนเองแม้จะมีงานมากเพียงไรก็ตามสำคัญอยู่ที่ความสนใจความใคร่ต่อการประพฤติปฏิบัติ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 นี่มันผิดกันอย่างนี้คนที่ได้รับการอบรมกับไมไ่รับการอบรมผู้ไม่ได้รับการอบรมเลยนั่นถือความโลภความโกรธความห ล, ลงเป็นตัวทั้งตัวเต็มร้อยเปอร์เซนตวันไหนได้โลภวันไหนได้โกรธได้หลงลืมตัวไปวันยั่งค่ําแล้ววันนั้นเป็นคนทั้งคนเต็มตัวเป็นคนร้อยเปอร์เซนต์ไม่บกพร่องในส่วนใดเป็นเราทั้งคนทีเดียวเป็นเจ้าอํานาจวาสนาเพราะ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 มัจจิมาพาขึ้นขึ้นพาลงลงอ้าวกิเลสพาขึ้นขึ้นไล่กิเลสตามกิเลสกิเลสพาลงเหวลงบอดตามขุดตามค้นตามฟาดฟันหั่นแหลกอ้าวกิเลสลงไหนตามฟันกิเลสน่ะเพราะเหตุอะไรเพราะกิเลสเป็นของที่ลุ่มดดด ล, ลุ่มดอ น, นดอนสูงสูงต่ำตลุ่มลุ่มดอนดแต่มันอยู่บนหัวใจขดเมื่อสติปัญญาผลิดขึ้นมาพอแก่การแก้ไขหรือพอแก่การติดตามปราบปรามกันได้แล้ว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 มันคิบหายไปหมดแล้วแต่กิเลสไม่ไดหลุดลอยไปเพราะความบน่นนอกจากการปฏิบัติกรรมจัดมันด้วยกำลังฝีมือของเหนานี้เท่านั้นกิเลสถึงจากตัวกรรมจัดลงที่ตรงนี้สุขอะไรก็ไม่เท่าสุขใจสุขใจนี่สุขสวัสดีไม่ว่าปีใหม่ปีเกา่า สุขในโลกสวัสดีปีใหม่พอปีเก่ามาแล้วทุกทั้งทั้งในปีใหม่ก็ทุกถักตั้งความหวังไว้ปีใหม่จะมีความสุขอย่างงู้นอย่างนี้ค า, าดกันไปยุ่งกันไปหมดถึงบันปีใหม่แล้วโอ้ส่งส่อข้อสอยกันยุ่งไปหมดส่อข้สอเขมีตัวหนังสือเตัวใจไม่ส่อข้อถอยไม่ส่อข้สส่งความสุขนี้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 แต่เราแยกอันนั้นมาเพื่อสอนเราคือโอปันดีโกเราว่าตําหนิตีเตียนโลกเขาที่ทํามาเป็นประเพณีนิยมจิตใจมีความรุ่นเลิงมันเทิงไปในแง่ไดซึ่งไม่ผิดจากกฎหมายบ้านเมืองก็เป็นความดีโลกมีอย่างนั้นไม่ว่าโลกไหนๆจะมีความรุ่นเริงบันเทิงมีความหวังนุ่ยกันแต่ถ้าจะพิจารณาลรือคิดไปในแง่เดียวเท่านั้นก็ไม่เกิดประโยชน์ให้ย้อนหน้าย้อนหลัง นี่การอธิบายถึงเรื่องสคสนั้นย้อนเข้ามาในเราก็เพื่อจะเห็นสคสภายในสคสภายนอกอืสคสภายในก็ได้แก่ส่งความสุขให้แก่ใจด้วยการประพฤติปฏิบัติกรรมจัดสิ่งที่มัวหมองหรือรบกวนจิตใจนั้นให้ห่างประโดยลำหนักมีความสุขแทรกขึ้นมาได้เดิมหนักจนความสุขเกิดขึ้นภาณจิตใจเป็นสคสขึ้นภายจิตใจ